ความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระจันทรไรขอาวการพระมหาเทรานุเถระที่เคารพอย่างสูงขอความสุขรัามสวัสดีจงมีแก่พุทธบริษัทญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้นะไม่ต้องคิดหาเรื่องอะไรมาเทศหรอกเทศเรื่องพึ่งก็แล้วกันเอาพึ่งเป็นหลักนะเอาพึ่งเป็นหลัก จากนั้นก็จะแถมสิงสารสัตว์ให้อีกสักสองสามตัวเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะเป็นเทศนาที่แปลกที่สุดก็คือว่าด้วยเรื่องสัตว์ล้วนๆเลยสัตวนะ์นะนกหนูหูเบิกแมลงทั้งหลายซึ่งปกติเราก็คุ้นอยู่เห็นอยู่แต่โยมอาจจะไม่คิดว่าแท้ที่จริงนั้นสัตว์เหล่านี้มแมลงเหล่านี้เขามีธรรมะและบางทีนะอาจจะยิ่งกว่า คนอย่างพวกเราจริงไหมลองฟังดูนะว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยเอาเข้าวจิงสู้พึ่งได้ไหมสู้นกหนูหูปีที่อาจามาจะพูดต่อไปนี้ได้ไหมลองดูซิว่าเราชอบน้ําพึ่งนะเราชอบน้ํำพึ่งแล้วเราก็อาจจะชอบตัวอ่อนของพึ่งแต่ว่านอกจากนั้นแล้วพึ่งทําประโยชน์อะไรได้อีกบ้างมีใครเคยคิดไหม มีใครเคยตาหนักรู้ไหมว่ดแห้ที่จริงพึ่งซึ่งเราได้ยินอยู่สม่ำเสมอเราได้เห็นอยู่สม่ำเสมอเราได้ลิ้มรสนาพึ่งอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งมาเป็นสำนวนไทยว่ามีดโกนอับนำพึ่งเอาก็จริงแล้วเนี่ยเรารู้จักพึ่งที่ว่านี้มากน้อยเพียงไรแต่เช้าวันนี้ตรรมภาพได้รู้จักพ่อพึ่งแม่พึ่ง ฉะนั้นก็ได้กติธรรมนามาแจกจ่ายแบ่งปันพวกเราซึ่งธรตมะภาพเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะเท่าที่ฟังการบรรยายสรุปจากคุณพ่อรัฐคุณแม่ของพันธรรมะภาพก็รู้สึกว่าธรรมะนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วมาแล้วก็ได้ธรรมะท้องก็อิ่มใจก็อิ่มเพราะอะไรเพราะทั้งพ่อพึ่งแม่พึ่งสร้างตัวมาจากศูน สร้างตัวมาจากศูนย์ในโลกนี้มีไม่กี่คนเราคุณโยมที่เกิดมาแล้วนั้นเกิดมาบนกองเงินกองทองคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดซึ่งคนเช่นนั้นถือว่าเขามีบุญเก่ามาดีและถ้าเขาไม่ประมาทเขาก็จะรักษาบุญเก่าเอาไว้ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดตาแต่บางคนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ขากลับไปไม่เหลืออะไรรวย เพราะอะไรช้อนเงินช้อนทองนั้นแกเอาไปขายหมดเลยทีนี้มีคนอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดมานี่หลุดออกมาจากท้องแม่ก็ตกลงกระด้งเลยภาษาโบราณเขาเรียกว่าตกฟากอยอมบางคนไม่ใช่แค่ตกฟากนะตกฟากแล้วกลิ้งตกลงไปบนดินอีกนะดูสินี่คุณแม่พังพันคุณพ่อรัฐเป็นคนประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกันกบอาตมา เรานี่มันเป็นรกากหญ้าตัวจริงนะเป็นชายขอบของจริงเลยนะเป็นบุคคลประเภทปลายอ้อปลายแขมคือพ่อแม่ไม่ได้เตรียมทุนเอาไว้ให้เกิดมาไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอไม่ใช่ลูกลูกท่านหลานเจ้า ค, คุณปู่ไม่มีแต่สิ่งที่เรามีคือความเป็นคนที่เท่ากันแล้วที่เหลือจากนั้นเรามาสู้เองเรามาสร้างเอง คนที่เกิดมานั้นพ่อแม่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดถือว่าเป็นโชคถ้าเขาประสบความสําเร็จก็ธรรมดาเพราะต้นทุนเขาดีแต่คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เตรียมอะไรเอาไว้ให้เลยกะว่าให้ลูกมาพิสูจน์ตัวเองด้วยตัวของเขาเองเพราะพ่อแม่เชื่อมันมากคนประเภทนี้ถ้าสู้แล้วรวยสู้แล้วชนะน้ายกย่องมากเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มจากศูนย์ศูนย์คือศีรษ สู้แล้วชนะก็เป็นฮีโร่จากซีโร่สู่ฮีโร่คือจากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่มีอะไรจากคนที่มาศูนย์แต่กลายเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์จากคนที่ว่างเปล่ากลายเป็นคนที่พร้อมไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากคนซึ่งไม่เป็นที่จับตากลายเป็นคนที่ถูกจับตาเช่นประวัติของคุณแม่พ่องพันปลาละหงเนะี่ย มาศูนย์แต่ว่าณเวลานี้ไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไปกลายเป็นอะไรความเต็มความอิ่มความสมบูรณ์ที่พ่อพึ่งแม่พึ่งประสบความสำเร็จจนสามารถสถาปนาอาณาจักรพึ่งน้อยขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เพราะมีคุณธรรมมีคุณธรรมหรือมีธรรมะนั่นเองคนเรานั้นมีอยู่สี่ประเภทหนึ่ง มามืดไปมืดสองมามืดไปสว่างสามมาสว่างไปสว่างสี่มาสว่างไปมืดมามืดไปมืดคือประเภทที่ต้นทุนต่ําติดดินเลยพ่อแม่แค่ไหนลูกชายลูกสาวเกิดมาก็เอาแค่นั้น พ่อแม่ไม่เป็นที่รู้จักลูกหลานเกิดมาก็เสมอพ่อเสมอแม่แล้วก็ตายไปไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่เป็นที่รู้จักมักคุนของใครเลยนี่คือมาเมื่อไปเมื่อสองมามืดไปสว่างเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ตอนจะไปได้พระราชทานเพลิงศพเลยเป็นคนสำคัญของแผ่นดินมีชื่อมีเสียงมีเกียรติคุณคาคุนตระกูลวงศ์งษาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมือง ถามมาสว่างไปสว่างพ่อแม่เตรียมผสมบัติพระสถานเอาไว้ให้หมดข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดกลับไปไม่เพียงแต่ข้าบช้อนเงินช้อนทองนะขายช้อนเงินช้อนทองอีกตั้งธุรกิจส่งออกไปทั่วประเทศอีกกํารวยมหาศาลยิ่งกว่ายุค ข, ของพ่อของแม่อันนี้ก็เรียกว่ามาสว่างไปสว่างคือพ่อแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมแล้วลูกก็ทําได้ดีกว่าพ่อกว่าแม่และสีคือมาสว่างไปมืดพ่อแม่เตรียมต้นทุนเอาไว้ดีทั้งหมด แต่ลูกเกิดมาแล้วทําทุกอย่างวิบัติไปหมดเลยคนก็มีสี่ประเภทอย่างนี้ยอมทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งมามืดไปมืดสองมามืดไปสว่างสามมาสว่างไปสว่างสี่มาสว่างแต่ไปมืดรเราทั้นทั้งหลายอยากเป็นคนประเภทไหนให้ไปพินิษฐ์พิจารณาเอาเองแต่พ่อพึ่งแม่พึ่งของเรานั้น ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาตามธรรมะที่ยกมากล่าวก็คือมามืดคือต้นทนต่ำเหมือนอาตมานี่แหละเป็นโรคชาวบ้านเป็นหลานชาวนาอย่างนี้แหละแต่ไปสว่างคือประสบความสําเร็จรุ่งโรยโชตนาเป็นที่จับตาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองการที่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือความไม่ธรรมดาที่ได้ชื่อว่าพึ่งน้อยก็มีที่มาที่ไปนะคุณแม่บอกว่าเพราะชีวิตนั้น ร่นเรระเห ร, ระหวนวเนจรเหมือนกับพึ่งซอกซอนบินไปบินมาอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้กว่าจะลงหลักปักฐานได้ใช้เวลานานเหลือเกินก็เลยเปรียบชีวิ ต, ตวเองว่าเป็นพึ่งคือถึงแม้จะต้องบินวนซอกซอนไปโน้นมานี่แต่พึ่งตัวนี้ไม่เคยใยต่ําสําคัญมากพึ่งต่างกับมแมลงวันตรงนี้พึ่งจะยักดีมีจนยังไงก็ตามพึ่งจะเลือกเฉพาะ น้ำหวานของดวงดอกไม้จะไม่มีพึ่งที่ไหนที่ไปตามของเนา่าของเหม็นของสบกรกปนี่คือวิถีขพึ่งซึ่งต่างกับมแมลงวันมแมลงวันนั้นยังไงก็มุ่งไปที่ของเนา่าฉะนั้นพึ่งกับมแมลงวันก็ต่างกันตรงนี้เราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งต้องบำเพ็ญตนให้เป็นคนประเภทเพึ่งนั่นก็คือพยายามสแสวงหาของสูง อย่าพยายามไปแสวงหาของต่ำพึ่งเลือกดอมดอมดวงดอกไม้แล้วในบรรดาน้ำหวานทั้งหลายพึ่งก็จะเลือกคันกลันกรองเอาน้ำหวานที่มีคุณภาพที่สุดมากินมาใช้มากลันมากรองเป็นน้ำพึ่งของตัวเองส่วนมแมลงวันนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเขาก็มุ่งไปหาของต่ำของเน่าอยู่ตลอดเวลาคนเราก็เป็นอย่างนั้นคนประเภทหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมุ่งสร้างเนื้อสร้างตัวทีบตัวเองขึ้นไปสูงเสียด ฟ, ฟ้า แต่คนอีกประเภทหนึง่งเกิดมาแล้วพยายามจะดึงตัวให้ต่าลงต่าลงต่ําลงประตูวัดเปิดทิ้งไว้คนประเภทนี้ไม่เข้าประตูคุกลั่นดานไว้ทุกแดนเลยทะลุทะลวงก็ไปอยู่ถึงแดนสิบนี่นั่นแมลงวันฉะนั้นเราอย่าเป็นแมลงวันให้เราเป็นพึ่งเลือกที่จะนําพาตัวเองขึ้นไปอยู่ในสถานภาพที่สูงส่งอยู่เสมอ อย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลลงต่ำจนกระทั่งว่าไปคลุกคล้าวของเน่าของเหม็นแล้วก็มีชีวิตที่ต่ำต้อยด้อยค่าลงไปคุณธรรมของพึ่งนั้นมีหลายประการนะคุณแม่ผองพันธ์ได้เขียนไว้ว่าขยันทำกินไม่เป็นสูงนักรักความสะอาดฉลาดสะสมนิยมสามัคคีใครอยากเป็นพึ่งหนึ่งต้องขยันทำกินสองไม่เ็นส่งนักสามรักความสะอาด สี่ฉลาดสะสมห้านิยมสามัคคีไม่ยากนะอาตมาคิดว่าทุกท่านทุกคนในห้องนี้ทำได้ทั้งหมดแต่ปัญหาคือแล้วทำกันหร้ อ, อย่างประสบการณ์ที่ภาษาออกมาเป็นคติธรรมทั้งห้าข้อนี้ท่านเจ้าของอาณาจักรพึ่งน้อยได้ทำแล้วและประสบความสำเร็จขยันทำกินก็คือ ไม่กลัวความลำบากไม่กลัวความลาบากเพราะความลำบากสร้างคนความสบายทำลายคนตอนที่ตามภาพเป็นเนน้อยอายุแค่สิบห้าจะออกจากบ้านมาเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงรายยมแม่ให้คำสอนเอาไว้ว่าถ้าอยากสบายให้อยู่กับบ้าน ถ้าออกจากบ้านอย่า ก, กลัวลำบากอัตามาภาพก็จาคำของแม่ได้เป็นอย่างดีแม่เรียนไม่สูงแต่คำสอนของแม่นั้นสูงมากแม่บอกว่าถ้าอยากสบายให้อยู่กับบ้านถ้าออกจากบ้านอย่า ก, กลัวลำบากแม่ก็สอนมาอย่างนี้อัตามาภาพก็จำมาไว้แล้วตั้งแต่นั้นนะ จนถึงทุกวันนี้ตธรมภาพบวชมา22ปีตธรมาได้พิสูจน์คำสอนของแม่เรียนบาลีด้วยกันมาปีแรกที่ตรมภาพไปนั่งเรียนนะโยมนะห้องของอัตมามี42รูปแต่ในวันที่ตรมภาพสอบได้ประเด็นธรรมก็ประโยคนั้นเหลืออัตมารูปเดียว41รูปลาสิขาหมดกลับมาบ้านเพื่อนจุ ง, จงแขนลูกมาหาตา ม, มาบอกวันเนี้ย ไหวหลวงพ่อสี่ลูกออืืเพื่อนมีผลงานกันทุกคนเลยเอาตอมาเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงปู่เป็นหลวงตาตมาก็ได้ปเปเรียนเก้าวมาเพื่อนๆก็ได้ลูกไปต่างคนต่างก็มีผลงานอะไรทําให้ก้มหน้าก้มตาเรียนก็เพราะคําของแม่งแม่ว่าลูกกลัวลําบากนะนอนอยู่กับบ้านเนี่ยลูก มีกินมีใช้แต่ว่าชีวิตจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นะพ่อแม่มาแค่ไหนลูกก็ได้แค่นั้นแหละเราก็ออกจากบ้าน อ, ออกจากบ้านแล้วไปเรียนหนังสือร้องห่มร้องให้เลิกเรียนก็หลายครั้งแต่พอใกล้สอบมาก็เสียดายก็ไปสอบก็สอบได้มาเรื่อยๆทำถึงขนาดว่าไปดูหนังสืออยู่ที่ป่าช้ายมมีอยู่ปีนหนึ่งสอบปรียนทําร5ประโยคอัตามาภาพไป หลีภัยเพื่อเตรียมตัวสอบอยู่ที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตทุกวันไปนั่งดูหนังสืออยู่ที่ข้างกองฟอนในป่าช้าแห่งหนึง่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันแรกๆที่ไปดูหนังสืออยู่ตรงนั้นกับเพื่อนเห็นกองฟอนอยู่ตรงนั้นโอ้โหสยดสยองในหัวใจมากกะท่องหนังสือไปดูหนังสือไปดูทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่กลัวผีนะ คนลุกขนพองจกกนกระทั่งวันท้ายเนี่ยช่วงไหนที่ท่องหนังสือมากๆากมันเซ็งมากมเนี่ยเอาไม้สักอันหนึ่งไปเขีย่ยกองฟอนดูดูว่ามันมีอะไรสุดท้ายเลยไม่กลัวเลยตั้งแต่บัดนั้นปีนั้นไปสอบปรากฏว่าสอบได้ปริเด็นทำห้ประโยคอาตมา ก, ก็ถือคตินี้มาโดยตลอดนั่นก็คือขันยันขันยันไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมใครนํามาใช้ตั้งตัวได้ทุกคน เห็นไหมคุณโยมคุณพ่อรัฐคุณแม่ของพันนั้นเป็นคนที่ขยันมากเท่าที่อาตมาภาพทราบขยันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งทุกวันนี้มีอะไรมากมายยังไม่เลิกขยันตรงกันข้ามขยันหนักขึ้นไปอีกหลวงมิจิตวัตการบอกว่าขยันมาจากคําว่าขายันน่าคิดนะน่าคิดนะขยันคือขายัน คนที่ขาไม่ยันคือใครโยมมีสองประเภทหนึ่งหนึ่งคนที่ง่อยเปรีย้ยเสียขาเพราะว่าไม่มีแรงจะยันมีขาแต่ไม่ยันแล้วนะสองคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ถ้าขาไม่ยันนะถึงไม่พิการก็เป็นคนพิการ ถึงไม่ตายก็เท่ากับตายแล้วดังนั้นเราไม่มีสิทธิขี้เกียจนะถ้าเราขี้เกียจเท่ากับว่าเราเป็นคนพิการทั้งทัง ท, งที่ยังสมบูรณ์ตายทั้งๆ ท, ที่ยังอยู่ท่านจะเป็นคนประเภทนั้นไหมดังนั้นให้เราทั้งหลายพากันเอาขายันขายันขายันขายันพูดบ่อยๆสิเดี๋ยวมันเป็นขยันนั่นเห็นไหมขยัน พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าที่เราตถาคตได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี้ก็ด้วยความขยันไม่ใช่ด้วยความเกียจคร้านพระพุทธเจ้าขยันขนาดไหนยมฟังให้ดีนะรุ่งเช้าเฝ้าบินทบาทเย็นไม่ขาดแสดงธรรมสอนพระเวลาค่ำกลางคืนพร่ำตอบปัญหา รุ่งสางพินิษฐ์สัตนานานี้คือเป็นเจกิจจะองค์ ศ, ศาสดาทรงกระทำพระพุทธเจ้าทรงตื่นประมาณสักตีสี่อยมตื่นมาแล้วทรงพินิษ์พิจารณาดูสัตวโลกว่าวันนี้ฉันจะไปโปรดใครได้บ้างกําหนดกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้ว ส, สายไปเดินบิียนทบาทแล้วก็ไปโปรดเขากลับมาพักผ่อนนิดหนึง่งใ บ, บแสดงธรรม ตอนเย็นตอนข้ามให้อวัตพระภิกษุกลางคืนเทวดาและชนชนัชน้ชนปกครองเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์จะทรงจำวัดโน้นประมาณเที่ยงคืนยมแล้วก็ทรงบรรทมประมาณตีหนึ่งไปจนถึงตีสามตลอดชีวิตพระพุทธองค์ของเราทรงงานหนักมากทรงงานหนักขนาดนี้จึงได้เป็นศาสดาเอกของโลกล่วงลับดับขันปรินิพานไปแล้วชื่อของพระองค์ยังคงอยู่ไหมยังคงอยู่ พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่มีอนุสาวรีมากที่สุดในโลกไม่ใช่เฉพาะที่เราประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมูงเชิญมาแขวนไว้ที่คอแต่ขุดลงไปในดินก็ยังเจอกุแตกทีหนึ่งนะโยมนะั้นเป็นพันพันองนะในโลกนี้มีใครมีอนุสาวรีมากขนาดนี้ไหมนี่คือตัวอย่างของคนขยันถ้าพระองค์ทรงเป็นคนเกียจคร้านใครจะเอามาเป็นตัวอย่าง คุณโยมอยากได้ล็อกเก็ตของพระสักรูปหนึ่งซึ่งเป็นจองขี้เกียจไหมเอามาแขวนไว้ที่คอเนี่ยถ้าเขาถามว่านี่คุณห้อยพระอะไรเนี่ยอ๋อหลวงพ่อปางขี้เกียจเลซี่บุตด้หลวงพ่อปางขี้เกียจมีไหมไม่มีนะโยมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปห้อยนะหลวงพ่อปางขี้เกียจนะให้ห้อยหลวงพ่อปางขยันหมั่นเพียร ถ้าใครมาถามคุณแม่ของพันว่าประสบความสำเร็จเพราะหลวงพ่ออะไรเยวแม่บอกเขาไปนะหลวงพ่อขยันเยวห้อยหลวงพ่อขยันองค์เดียวอัตมามีลูกจิตหลายคนทั้งเมืองไทยและเมืองนอกที่สหรัฐอเมริกามีคนหนึ่งร้านของเขาตั้งอยู่ที่ย่านใจกลางธุรกิจที่นครนิวยอร์กปีแรกอัตมาภาพไปเขามีสองร้านปีที่สองไปเพิ่มอีกเป็นสามร้าน ปีที่สี่ไปอีกตอนนี้เขามีห้าร้านทุกร้านอัตมาภาพไปเปิดป้ายให้เขาแล้วก็ชิมต้มยำกุ้งฝีมือเลิศรสมากถึงขนาดเจ้านายทุกพระองค์ของไทยถ้าเสด็จนครนิวยอร์กหรือรัฐใกล้เคียงต้องสั่งว่าอาหารไทยต้องร้านนี้เท่านั้นรู้สึกของอัตมาภาพคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านวันดีสยามวันดีสยามอัตมาภาพถามโยมชื่อร้านของโยมคือร้านวันดีนี่ คำว่าวันดีเป็นชื่อภรรยาโยมใช่ไหมไม่ใช่ครับภรรยาผมชื่อนิดเอา้าแล้ววันดีมาจากไหนคือเป็นนี้ครับตอนผมเปิดร้านผมคิดว่าวันไหนผมขยันวันนั้นต้องเป็นวันที่ดีผมก็เลยตั้งชื่อร้านว่าร้านวันดีสยามแล้วดีมหโยมดีทุกวันเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ชื่อไหมในร้านมีโต๊ะข้าวสิบสองมีโต๊ะข้หกตัวเก้าอี้สิบสองตัว อาตมาเข้าไปนั่งในร้านแล้วยืนส่งเวทฝรั่งที่มันมาเข้าแถวขอรอกินอาหารยมไม่ใช่คิดสิบคนนะวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณสองรอคนยมฉะนั้นแขกคนไหนถ้ามานั่งกินต้องรีบกินให้เสร็จเพราะอะไรมองลอดกระจกไปคนรอกันไ ป, ไปหมดเลยนั่นคือฝีมือบวกกับความขยันแกไม่มีเครื่องรางภรรยาแกก็ไม่ได้ชื่อวันดี แต่แกบอกว่าวันไหนผมขี้เกียจวันนั้นเป็นวันไม่ดีวันไหนผมขยันวันนั้นก็เป็นวันที่ดีตักกะง่ายๆอย่างนี้ผมก็หยิบ ม, มาตั้งชื่อร้านว่าร้านวั น, วนดีสยามตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่มีวันไหนที่ไม่ดีเพราะแกขยันทุกวันฉะนั้นคนขยันตั้งตัวได้ทุกคนคนเกียจคร้านต่อให้พ่อแม่รวยแค่ไหนถ้าสมบัติตกทอดมาถึงมือลูกก็ล่มจมทุกคนเหมือนกันพระพุทธองค์ของเรานั้นจั พุทธศาสนสุภาษิตเอาไว้ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าผลที่หมายจะสําเร็จเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าผลที่หมายจะสําเร็จนี่แหละคือหลวงพ่อองค์ที่หนึ่งนะเอาแขวนไว้ที่คอนะเวลาใครถามอะหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อขยัน เนี่ยถ้าไม่มีใครปลูกเสกเดี๋ยวจะ ม, มาร่วมกับพ่อมหารัธรรมรุ่นนี้ก็ได้นะทาหลวงพ่อขยันเ น, ะนาะอาตมาคิดว่าขลังแน่นอนขลังสำหรับเราทุกคนแล้วคุณธนะรรมรการที่สองของพึ่งน้อยคือไม่บินสูงนักหมายความว่ายังไงโยมไม่บินสูงนักไม่บินสูงนักก็คือทำอะไรให้รู้จักความพอเหมาะพอควรซึ่งถ้าใช้คาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือ ใช้ชีวิตพอเพียงนั่นเองถ้าเราขยันเราได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วแต่ถ้าคุณยมประมาทบินสูงเกินไปคุณยอมหามาได้ร้อยนแต่คุณยมใช้สองร้อยจะมีวันที่ยมได้เป็นเศรษฐีไหมไม่มีฉะนั้นอย่าไปบินสูงนะคนหลายคนนะรายได้ต่าแต่รถสนิยมสูงหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาค่ากินค่า แต่น้ำหอมนี่ใช้แบรนด์ฝรั่งเศสนะกระป๋อกระเป๋านี่ใช้อามา น, นี่ใช้หลุยติงตองคือหลุยวิตตองของปลอมนั่นเองของจริงไม่มีปัญญาใช้นะก็ไปซื้อของปลอมแถวตลาดรัเสเซียที่จีนมาใช้เขาเรียกว่าหลุยติงตองหลุยวิตตองกลายเป็นหลุยติงตองคือพวกรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงหาได้แค่ไหนจ้างให้ก็ไม่เป็นเศรษฐีเพราะอะไร ไม่รู้จักการใช้เงินใช้ทองฉะนั้นคุณทามาหากินด้วยความขยันมีเงินมีทองแล้วจะต้องไม่เบนสูงนักนั่นคือมีเงินแค่ไหนก็ใช้เท่าที่จำเป็นหลักการใช้เงินมีอย่างนี้ให้มุ่งจับใจ่ายใช้สอยอย่าเน้นจับใจ่ายใช้สวยถ้าจับใจ่ายใช้สอยเสื้อหนึ่งตัวนุ่งได้กี่ครั้งจนพังไปข้างหนึ่งถ้าจับใจ่ายใช้สวย เสื้อหนึ่งผืนใช้งานเดียวเก็บเข้าตู้แล้วต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อใหม่จีวันของอาตมาภาพผืนนี้ห่มไปเมริกามาแล้วสามครั้งก็คือสามปีนี่ปีที่สี่อาตมาก็ยังใช้อยู่คุณโยมเห็นไหมโยมถวายจีวันอาตมาปีหนึ่งเป็นพันผืนนะแต่อาตมายังใช้ผืนเดิมอยู่สี่ปีแล้ว และที่ถวายมาเยอะๆอัตมาไปทําอะไรอัตมาเอาไปแจกลูกพระลูกเนนที่ตั้งใจเรียนหนังสือเพราะอะไรเพราะเรามุ่งประโยชน์ใช้สอยถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ต่อไปสิไม่ได้มุ่งประโยชน์ใช้สวยคือวิ่งตามแฟชั่นวิ่งตามแบรนด์เนมวิ่งตามดาราซูเปอร์스타ทั้งหลายที่เขาใช้กันฉะนั้นถ้าเราวิ่งตามอย่างนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ในการจับใจ่ายใช้สอย ให้คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงมากกว่าคุณค่าเทียมเช่นรถคุณค่าที่แท้จริงคือเป็นพาหนะคุณค่าเทียมก็คือเอารุ่นที่แพงที่สุดที่หรูที่สุดเอาไว้อวดเพื่อนเสื้อผ้าคุณค่าที่แท้จริงคือใช้ปกปิดอวัยวะอันก่อให้เกิดความละอายป้องกันหนาวร้อนแดดลมฝนสัมผัสอันเกิดจากยุงเหลือบลิ้นไรและก็คุณค่าเทียมก็คือวิ่งตามแฟชั่น นาฬิกาคุณค่าที่ใท้จริงคือบอกเวลาคุณค่าเทียมก็คือเอาตามแบรนด์เนมแพงที่สุดหรูที่สุดแต่นาฬิกาไม่ว่าจะแพงที่สุดคือเรือนละล้านกับกระจกที่สุดซื้อที่คลองถมเรือนละร้อเก้นาฬิกาสองประเภทที่ราคาต่างกันยังกาฟ้ากับเหวนี้ยี่สิบชั่วโมงเท่ากันไหมเท่ากันไม่มีนาฬิกาเรือนไหนในโลกมียีห้าชั่วโมง ฉะนั้นถ้าเราคาลังถึงประโยชน์ใช้สอยเราใช้ของธรรมดาก็ได้ครั้งหนึ่งดรสุมเมธตันติเวชกุลไปถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในพระราชวังมีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านตัวเป็นๆท่านตื่นเต้นมากก็เลยแอบเมียงมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พระเสียรจรดพระบาทมองบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นี่องค์เป็นๆ พระองท่านก็สังเกตเห็นวลาเอ๊ะจหมอนี่ดูเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่มีอะไรที่อยากดูก็เลยให้ดูหมดเลิกแขนเสื้อให้ดูดรเติร์สสเมฆก็ไปเห็นนาฬิกาเห็นนาฬิกาของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เหลือบมาดูของตัวเองกลับมาก็ไปถามตรงโน้นถามตรงนี้ว่านาฬิกาอย่างที่พระองค์ทรงชัยนั้นขายที่ไหนถามไปถามมารู้ว่าเรือนละเจ็ดร้อยขายที่คลองถมส่วนของตัวเองโรเล็ก ถอดเลยตั้งแต่นั้นมาไม่กล้าใส่เกินพระองค์ท่านเลยท่านบอกว่ามันไม่ใช่โรเล็กซ์มันเป็นโรแลกคือใช้เงินเยอะเหลือเกินกว่าจะได้มาคุณยมเห็นไหมพระองค์ท่านอยู่ในพระสถานภาพที่จะใช้ของแพงเท่าไหร่ก็ได้ขอเพียงทรงคิดดังๆบนดังๆนะคนก็พร้อมจะทุนก้าทุนกระหม่อมถวายใช่ไหมแต่พ่อของเราก็ใช้อย่างประหยัดเหลือเกินนี่แหละแล้วเราทั้งหลาย วิเศษมาจากไหนจึงมุ่งแต่จับจ่ายใช้สวยไม่สนใจจับจ่ายใช้สวยการจับจ่ายใช้สวยก็คือใช้เข้าใช้ของใช้ปัจจัย4โดยคำหนึ่งถึงคุณค่าที่แท้จริงเป็นหลักของชิ้นหนึ่งถ้าเราเน้นการจับจ่ายใช้สวยเราจะใช้กันไปได้หลายปีนะแต่ถ้าเราเน้นจับจ่ายใช้สวยของบางชิ้นราคาแพงระยับแต่ใช้แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ต้องวาง และนั่นเป็นเหตุให้คนซึ่งมีโอกาสเป็นเศรษฐีทั้งหลายไม่ได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีเพราะอะไรมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะคุณเน้นจับใจ่ายใช้สวยดังนั้นถ้าอยากเป็นเศรษฐีต้องเน้นจับใจ่ายใช้สอยแล้วเลิกจับใจ่ายใช้สวยทีนี้ถ้าบางคนถามว่าเอา้าก็ผมหรือว่าดิฉันมีเงินมีทองมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยทําไมจะต้องเป็นนุ่มเจียมห่มเจียม เพราพ่อแม่มีเป็นพันล้านเนี่ยไม่ต้องซื้อของที่กลองถมตลาดนับมาใช้แล้วมั้งถ้ารวยจริงมีจริงทํามาหาได้โดยสุดจริงจริงใช้ไปเถอะพุทธศาสนาไม่ว่าที่แตงมาภาพบอกว่ารายได้ต่ํารัสนยมสูงนั้นหมายถึงคนทั่วไปที่ไม่พอกินไม่พอใช้ อ, อยู่แล้วนะแต่ก็ยังพยายามใช้เกินกินเกินอยู่เกินอั น, น, นเนี้ยน่าตำหนิ แต่คนที่พ่อเขามีแม่เขามีบริษัทเขามีตระกูลวงพงษาเขามั่งข้างล้ำรวยอยู่แล้วถ้าเขาจะเริ่มต้นซื้อนาฬิกาที่เรือนละ25ล้านก็ไม่เป็นไรเพราะทรัพย์สินเขามีเป็นหมื่นล้าน25ล้านของเขาก็คือ25บาทนี่ละมะั้งเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดอย่าดัดจริดเห็นคนอื่นรวยแล้วทําตัวรวยตามเขา ถ้าเราไม่รวยจริงนะเราทำตัวรวยเราจะจนส่วนคนรวยทั้งหลายชอบทำตัวจนคือธรรมดามากสุดอย่างหนึ่งว่าคนที่แซงรวยในอนาคตจะจนส่วนคนที่รู้จักแ้งจนทั้งๆ ท, ท, ที่รวยอันนี้คือคนรวยตัวจริงเราจะเป็นคนชนิดไหนให้เป็นที่เจรณาให้ดีสุภาษิตที่บอกว่าไม่เป็นสงนักก็หมายถึงจงรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ประเมินตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดครู้ว่าสถานภาพทางการเงินของเราแค่ไหนแล้วใช้ชีวิตให้มันพอดีพองามกับรายได้รายจ่ายอย่าให้มันสวนทางกันมากนะักแล้วก็ประการต่อมารักความสะอาดรักความสะอาดหมายความว่าอย่างไรโยมรักความสะอาดก็หมายความว่าให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต อย่าไปรักความโสกรกรกคือคดในข้องอในกระดูกไม่เอาคดในข้องอในกระดูกไม่ดีเมื่อที่ที่แล้วตามาภาพเพิ่งกลับจากการทัศนศึกษาและก็ดูงานที่ประเทศเวียดนามตมาภาพได้ไปเยี่ยมบ้านของรัฐบุรุษผู้ชาติของเวียดนามคือท่านโฮจิมินที่บ้านของพระนท่านโฮจิมินนั้นเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศนั้น บ้านที่ท่านอยู่เป็นบ้านหลังเล็กๆคติชีวิตของท่านนั้นน่าสนใจมากคุณยมท่านเป็นคนรักความสะอาดอย่างยิ่งวันหนึ่งเมื่อเวียดนามชนะอเมริกาชนะฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามลงมติกันอยากให้ท่านขึ้นไปอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่ซึ่งเป็นบ้านของข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสหลังใหญ่โตโอลานมากท่านโฮจิมินบอกว่า ฉันไม่อยู่สศกรปรกพูดเสร็จท่านก็เดินหนีอาทิตย์ต่อมาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายหากันขึ้นไปทำความสะอาดคฤหาสน์หลังใหญ่นั้นอย่างมโหฬารนทาสีใหม่ตกแต่งใหม่ทั้งหมดรตจแล้วนำเรื่องไปรายงานท่านประธานโฮจิมนินท่านครับเชิญท่านขึ้นไปทำนักที่คฤหาสน์ของอดีตข้าหลวงฝรั่งเศสได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ ไปทำความสะอาดทําไมปกติมันก็สะอาดอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็อาทิตย์ก่อนท่านบอกว่ามันโสกรปรกป๋องไงครับพวกผมก็เลยไปทําความสะอาดท่านโฮจิมินบอกว่าพวกคุณเข้าใจผิดแล้วคําว่าโสกรปรกของฉันไม่ได้ไหมายความว่าบ้านหลังนั้นมันโสกรปรกแต่มันเป็นบ้านของคนที่จิตใจสกกระป๋อท่านหมายถึงเจ้าของอาณานิคมสมัยนั้นคือพวกฝรั่งเศส ที่เข้ามารุกรานเวียดนามแล้วก็คุกคามคมแหงประชาชนเวียดนามให้บาดเจ็บล้มตายจนเกิดสงครามครั้งใหญ่บ้านไม่เป็นบ้านเมืองไม่เป็นเมืองกว่าที่ชาวเวียดนามจะขับไล่ทหารฝรั่งเศสออกไปนั้นเขากินน้ำตาต่างข้าวมาแล้วหลายสิบปีต่อจากนั้นเขายังมาเจอสหรัฐอเมริกาอีกเกิดสงครามเวียดนาม อเมริกากระตุ้นให้แยกอเมริกาเหนือจากแผ่นดินเดียวเป็นอเมริกาเหรืออเมริกาใต้เวียดนามแตกคนเวียดนามหลบลีล้หนีภัยออกจากประเทศเดือนเดียวนะโยมนะเป็นล้านคนถูกปล่อยลอยคอแล้วก็เรือแตกกลางทะเลถูกโจรสลัดฉกชิงวิ่งราวกระทําชํามราวข่มขืนเกิดโศกนาฏกรรมล้มตายกันอีกเป็นสิบล้านยี่สิบล้านคนโยม ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าฉันไม่อยู่คารื้อหาศรกระโกหลังนั้นเพราะนั่นมันเป็นที่อยู่ของคนสกกรกคือพวกเจ้าอาณานิคมทั้งฝรั่งเศสและก็สหรัฐอเมริกาคำว่าสกรปรกของฉันก็คือพวกคนคดในข้องอในกระดูกพูดอย่างทําอย่างทั้งหลายเห็นดไหมครังดังนั้นที่บอกว่ารักความสะอาดก็คืออย่าเป็นคนคดในข้องอในกระดูก ให้ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอให้สว่างต่อไฟให้ใสต่อน้าอยู่ต่อหน้าไฟเนี่ยให้สว่างอยู่ต่อหน้าน้าให้แจ่มกระจา่างได้ไหมมนุษย์เราทุกวันนี้ที่ประสบความล้มเหลวเพราะทุจริตคิดคดคอรัปชันคนที่ทุจริตคิดคดคอรัปชันนั้นในเบื้องต้นดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะแต่ในระยะยาวเขาจะติดกับดักของตัวเองเป็นอย่างนี้ทุกคน ตอนที่เราโกงตอนที่เราคดก็อาจจะได้เงินมาเลี้ยงตัวเลี้ยงญาติพี่น้องแต่เงินร้อนนะยังไงก็เป็นเงินร้อนเงินเย็นมันอาจจะไม่มากแต่กินแล้วอิ่มนอนแล้วอุ่นเพราะไม่ต้องหวาดทวะเห็นไหมฉะนั้นสุภาษิตโบราณที่บอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่ น, น่นจึงเป็นความจริงอย่างยิ่ง ใครอย่าไปตะกลุมตะกรามอยากจะรวยเร็วๆจึงใช้ทางลัดเป็นคนสุกปรกด้วยการทุจริตคิดไม่ชอบอยู่ที่ไหนคนเช่นนี้ไม่รุ่งจริงหรอกเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีความลับนะโลกนี้มีแต่ความจริงที่เราเห็นว่าเป็นความลับเพราะมันยังไม่ถูกคนพบฉะนั้นอย่าคิดว่าโลกนี้มีความลับพระพุทธองค์ตรัสว่านัติโลเกระโหนามะโลกนี้ไม่มีความลับ ใครที่คิดว่าฉันซ่อนความลับเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดนั่นคือเข้าใจผิดแล้วความลับก็คือสิ่งที่ยังไม่ถูกคนพบโลกนี้มีแต่ความจริงเท่านั้นเองโดยเหตุดังนั้นถ้าเราอยากจะรวยอยากจะมั่งคัง่งให้เป็นความรวยให้เป็นความมั่งคั่งที่สง่างามและเปิดเผยอย่าใช้วิธีคิดคดทรยศ์ในลักษณะคดในข้องอในกระดูก ธรรมาภาพเคยได้อ่านนิทานเรื่องหนึ่ง oh. ก็คือเรื่องของผู้รับเหมาเป็นนิทานนานาชาติผู้รับเหมาคนนี้ทำงานอยู่กับเจ้านายซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่รับเหมาสร้างบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านและทุกครั้งที่เขารับงานจากนายมาเขาก็โกงครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งที่ได้มาเป็นกาไรก็ส่งเจ้านายทีนี้ทุกครั้งที่เขาโกงแทนที่เขาจะเก็บ เอาไปเล่นการพนันหมดเงินผ่านมือตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยเป็นเศรษฐีเพราะอะไรเพราะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไปเล่นการพ น, นันเล่นการพ น, นันจับใจ่ายใช้คร่องแต่ไม่เคยมีเงินเก็บอยู่มาจนกระทั่งว่าในช่างคนนี้อายุหกสิบปีเจ้านายตั้งใจเอาไว้ว่าเขาสร้างบ้านให้บริษัทมาต้องยี่สิบปีแล้วตอนนี้เขาจ ะ, กะเกษียณเราจะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งก็เลยเรียกเข้ามาพบบอกว่าคุณ คุณไปสร้างคาราหาร์หลังหนึ่งนะผมตีงบให้ไปเลยสักห้าสิบล้านทาให้เต็มที่นะแล้วก็ช่วงนี้ผมจะไม่อยู่ไปธุรกิจเมืองนอกยาวหน่อยนะกลับมาเนี่ยคาราหาร์ต้องเสร็จสร้างงานเสร็จซีโอก็บินไปทําธุรกิจที่เมืองนอกหลายประเทศผ่านไปหนึ่งปีเจ้านายใหญ่กลับมาเรียกลูกน้องคนโปรดมาหา เป็นยังไงข้าราอหารหลังล่าสุดเสร็จหรื อ, อยังเดี๋ยวจะได้เรียกเจ้า ข, ของเข้ามารับแล้วลูกน้องได้รับงบประมาณไปทั้งเท่าไหร่ห้าสิบล้านตอนที่แกได้รับงบประมาณมาก็นิสัยเดิมนิสัยคนคดในข้ององในกระดกเอาแบบมาดูแล้วก็ใช้สินค้าผิดสเปคทั้งหมดเลยเงินหายไปยี่สิบห้าล้านสร้างจริงยี่สิบห้าล้าน ระบบกันปวกกันภัยอะไรแกไม่สนนะเพราะอะไรแกไม่ทําแกเอาเงินไปเล่นพนันหมดก็ทําแบบขาดขาดเกินเกินทั้งเหล็กทั้งปูนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับทั้งหมดเป็นของผิดสเปกทั้งหมดเงินหายไปตั้งครึ่งข้อนถึงเวลามาในายใหญ่เดินมาดูนาครับครฤหาดเสร็จแล้วครับในายใหญ่ดูภายนอกรู้มากยมรู้มากแล้วนายก็ไม่ได้ดูอย่างละเอียดหรอกก็เห็นว่าเออสวยนะเนี่ยทําเองทุกขั้นตอนหรือเปล่า ครับนายผมตั้งใจสุดๆแล้วครับดีมากคืนนี้ไปเจอกันพอตกกลางคืนเจ้านายเรียกพบเขาก็ไปนั่งกินข้าวกับนายนายบอกว่าคนมาอยู่กับฉันกี่ปีแล้วน่าจะสักสามสิบได้ครับนายแล้วเป็นยังไงฉันดูแลเธอดีไหมดีมากครับนายแต่เสียณแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อ ผมก็คิดว่าคงอยากจะไปสร้างบ้านให้ตัวเองสักหลังอะ่ะดีๆครับนอกเมืองอะ่ะสร้างให้คนอื่นมาแล้วเป็นร้อยหลังคิดว่าจะาประสบการณ์ทั้งหมดมาสร้างคาราฮาร์ให้ตัวเองสักหลังหนึ่งที่ดีที่สุดเลยครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับนายผมขอตังนายสักหน่อยสิครับจะได้ไปสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่บ้างทําไมเธอจะต้องขอฉันเพราะคาราฮาร์ที่ฉันไปดูตอนกลางวันห้าสิบล้านหลังนั้นน่ะฉันตั้งใจยกให้แกเอา้า แล้วทำไมไม่บอกล่ะครับอ้าวแล้วมันมีปัญหาตรงไห น, นเอาไม่มีครับไม่มีเกือบลืมตัวไปโยมพอรู้ว่านายที่ให้สร้างทั้งหมดงบเยอะกว่าทุกหลังตั้งห้าสิบล้านก็เพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้ตัวเองแต่แกสร้างไปกี่ล้านแกสร้างไป25สบห้าล้านแล้วครึ่งหนึ่งไปไหนเล่นพนันกลับมาบ้านคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเห็นไหโยมแกมายืนมองบ้าน ของทุกอย่างผิดสเปกหมดและแกก็รำพึงว่านี่กูสร้างเพื่อจะให้ตัวเองอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คุณจะเห็นไหมคนที่ทุจริตคิดคดคือคนที่ขุดกับดักเอาไวล้ล่อตัวเองไม่มีใครหนีพ้นเห็นไหมเขาหลอกคนทั้งโลกได้เนี่ยแต่สุดท้ายเขาจะหลอกตัวเองไม่ได้หรอกวันหนึ่งสิ่งที่เขาทำเอาไว้จะต้องย้อนกลับมาเล่นงานเขาเสมอเหมือนในช่างคนนี้ดังนั้น ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างยั่งยืนอย่าเลือกวิธีการทุจริตเพราะทุจริตวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็ทุจริตถ้าวันนี้ผิดวันพรุ่งนี้มันไม่ถูกหรอกถ้าวันนี้ถูกเมื่อวานก็ถูกพรุ่งนี้ก็ถูกถ้าวันนี้ผิดเมื่อวานก็ผิดพรุ่งนี้ก็ผิดผิดคือผิดถูกกูถูกที่คุณบอกว่าคุณรักษาความลับได้ไม่จริงหรอก ความลับก็คือสิ่งที่คนอื่นยังไม่รู้รู้มาวันไหนคุณก็ตายกันวันนั้นพอดีเห็นหรื อ, อยังฉะนั้นมหาเศรษฐีทุกคนที่เขาร่ำรวยมั่งคั่งได้ก็เพราะเขาซื่อสัสุจริตให้รู้จักรักษาความสะอาดเอาไว้เสมอเหมือนกับพระนท่านโฮจิมนินที่เป็นคนที่รักษาความสะอาดมากเข้าของทุกอย่างที่มีคนเอามามอบให้ท่านตอนที่ครองอํานาจไม่เอากลับบ้านแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นคนซื่อสตสุจริตจนกระทั่งวัาดมกิ่นได้อยอม วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังนั่งรับประทานอาหารในห้องของประธานาธิบดีนะมีแม่ครัวยกอาหารใส่จานชามเซรามิกนะมาเสิร์ฟและด้วยความที่ตัวสั่น ง, งินงกจานชามก็หลุดมือแตกพลิง้งเลยท่านประธานบอกแม่ครัวว่าในห้องครัวนี่มีปินโนไหมมีเจ้าค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาหารําประดับฉันให้เอาใส่ปิโตมา เอ้าทำไมล่ะเจ้าคะฉันเป็นถึงประธานาธิบดีนะเออใช่แต่ตอนก่อนหน้านั้นน่ะฉันเคยหลีภัยนะฉันเคยลําบากฉันกินแต่อาหารปิ่นโตฉันอยู่ในป่าฉันอยู่ในหลุมใต้ดินฉันอยู่มันกับปิ่นโตแล้วปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมตกไม่แตกโอ้โหประธานาธิบดีนะกินอาหารปิ่นโตเหตุผลเพราะตกแล้วมันไม่แตกก็ถ้าจานกระเบื้องมันแตกไปหนึ่งจานจะเสียหายตรงไหน ท่านบอกว่าชานกระเบื้องถ้วยกระเบื้องชามกระเบื้องแต่ละชิ้นงบประมาณแผ่นดินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอางบประมาณแผ่นดินมาละลายเพื่อฉันคนเดียวคุณจะเห็นหรือย่างคนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์จริตขนาดนี้ทำอะไรไม่เอาเข้าตัวโดยวิธีที่ไม่ชอบเห็นไหมคนซื่อสัตย์จริตนั้น ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนที่มีความสง่างามร่วงลับดับขันไปแล้วถูกอ้างอิงถึงก็เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจไปถึงลูกถึงหลานตรงกันข้ามกับคนคบ ต, ตอนที่ยังอยู่แงหน้าก็อายฟ้าโก้มหน้าก็อายเดินร่วงลับดับขันไปแล้วนิ่บนพระปรเทศพระก็ไม่รู้จะสรนเสริญยังไงเพราะมันลาบากใจแล้วก็ลูกหลานก็อยู่ด้วยความลาบากใจ หนึ่งคนโกงนะร้อยคนแวดล้อมเดือดเนื้อร้อนใจโดยทั่วหน้าหนึ่งคนซื่อสัตย์ร้อยคนแวดล้อมยินดีปรีดาทั่วหน้าเช่นนั้นแล้วเราจะเป็นคนที่รักความสะอาด ห, หรือเป็นคนรักความศกดิ์สิทธิ์โปรดคิดดูให้ดีฉลาดสะสมซึ่งเป็นคติข้อนที่สี่ของพึ่งน้อยก็คือเมื่อทํามหากินมาแล้วได้เงินได้ทองแล้วรู้จักสะสมเก็บหอมรอมริบ เราจะสะสมเราจะเก็บหอมรอมริบได้ต้องทํำยังไงพระพุทธองค์แบ่งวิธีใช้เงินเอาไว้ว่าหนึ่งเมื่อคุณได้เงินมาแล้วนะหนึ่งเก็บเป็นเงินสํารองคงคลังเพื่อฉุกเฉินเจ็บไข้ขึ้นมาไปเบิกมาใช้ได้ทันทีทันขวันสองเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกแก้วเมียขวัญให้กินอิ่มนอนอุ่นอันนี้สําคัญมากเพราะบางคนได้เงินมาแล้วไม่กินไม่ใช้ตัวเองก็อดลูกก็อดเมียก็อดเพื่อนก็อด แล้วก็ล่วงลับดับขานไปเงินไปไหนเป็นของคนอื่นหมดแล้วคุณหามาทำไมอะ่ะกินก็ไม่กินใช้ก็ไม่ใช้ไม่มีประโยชน์เลยเงินมีประโยชน์เมื่อใช้ถ้าไม่ใช้ไม่มีประโยชน์เพราะเงินเป็นสิ่งสมมุติสาเอาเงินไปต่อเงินเหมือนที่เพิ่งน้อยแตกยอดไปทาธุรกิจมีธุรกิจตัวนั้นมีธุรกิจตัวนี้มาเพิ่มมาเติม มันเสริมฐานเดิมที่มีอยู่แล้วให้แผ่ขยายสาขากว้างขวางยิ่ง่งขึ้นไปตรงกับหลักพระพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วสีให้เสียภาษีให้แก่ภาครัฐพระพุทธเจ้าท่านสมัยไหมท่านสมัยมากนะโยมนะให้เสียภาษีเพราะคุณเกิดในแผ่นดินนี้คุณกินในแผ่นดินนี้วันหนึ่งคุณจะตายในแผ่นดินนี้ใช่ไหมแผ่นดินนี้ให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยให้ข้าวให้น้ําให้โอกาส ให้คุณหยัดเยืนให้คุณทอดร่างวางขันคำถามก็คือคุณได้จากแผ่นเด่นขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะคืนอะไรให้แผ่นเด่นนี้ข้อที่สี่คือต้องรู้จักเสียภาษีและข้อที่ห้าบำรุงสมณชีพราหมณ์พระเถรเนจชีซึ่งเป็นสดมหลักในทางศิลธรรมของประเทศชาติบ้านเมืองให้คนทางบ้านทั้งเมืองมีความอบอุ่นมั่นคงในทางจิตใจใครที่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเช่นนั้น เราไปอุปถัมภ์บำรุงท่านถวายกาลังใจท่านเพราะถ้าผู้ที่ทรงธรรมอยู่บ้านเมืองก็อยู่ผู้ที่ทรงธรรมไม่อยู่บ้านเมืองก็ไม่อยู่เพราะไม่มีหลักประการทางด้านศีลธรรมใช่ไหมบ้านเมืองที่มีเงินมีอำนาจมีปืนมีอาวุธปรามูแต่ถ้าคนไม่มีศีลธรรมไม่มีความสงบสุขดังนั้นประการที่5้านี้ก็คือว่าให้รู้จักอุปถัมภ์บำรุงพระเถรนเนชี ให้ท่านเป็นหลักทางจริยธรรมขำจุนสังคมแล้วก็ประการที่หกสำคัญที่สุดทำบนอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้รุ่งรับดับขันไปแล้วด้วยอย่าลืมว่าเรามีวันนี้เพราะเรามีวันนั้นมาก่อนเราทุกคนไม่มีใครหรอกที่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่าท่อพี c ีซีทุกคน ไม่ได้เกิดมาจากสุญญากาศแต่เราทุกคนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมฉะนั้นอย่าลืมนะอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่อย่าลืมบรมรพบริสุทปู่ย่าตายายที่ให้โอกาสเรามาให้ชีวิตเรามาเรามีกินเรามีใช้แล้วเราก็ต้องแบ่งเงินนั้นทำบนสุนทานให้ท่านหากท่านลงรับดับขันไปแล้วด้วยนี่คือความกระตันยูความกระตันยูจึงเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดซึ่งจะขาดเสียไม่ได้นี่แหละหลักการใช้เงินของพระพุทธเจ้านะถ้าคุนยมทำตามหประการนี้ เงินไม่หายกำไรไม่หดยิ่งมีเงินเงินนั้นยิ่งงอกงามยิ่งมีเงินเงินนั้นยิ่งเกิดประโยชน์และยิ่งใช้เงินเงินนั้นก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นฉะนั้นเมื่อคุณทำมาหากินเป็สุจริตได้เงินมาแล้วก็รู้จักใช้เงินทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งเก็บเป็นเงินสํารองคงคลังไว้จับจ่ายใช้สอยยามฉุกเฉินและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสองรู้จักเอาเงินนั้นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ลูกแก้วเมียขวัญรวมทั้งตนเองให้กินอิ่มนอนอุ่นสามเอาเงินไปต่อเงินทำธุรกิจให้เงินงอกงามยิ่งขึ้นไปสี่ก็รู้จักเสียภาษีห้าบำรุงสมณชีพรามแล้วก็หกทำบุญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ลงลับถ้าใครใช้เงินทั้งหกประการนี้แล้วรับรองว่าเงินจะไม่กัดเจ้าของเงิน แต่ถ้าใช้เงินไม่เป็นระวังพระพุทธเจ้าเรียกเงินว่าอสสรพิษคือเหมือนงูเห่านะเงินถ้าใช้เป็นก็เป็นแก้วสารพัดนึกถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นอสสรพิษพร้อมจะแหวงกัดทุกเมือ่อเพราะว่าเงินนั้นเป็นธาตุที่ไม่มีตานะพร้อมจะรับใช้ทั้งคนดีและคนเลว พัติสุดท้ายของพึ่งน้อยก็คือนิยมสามัคคีไม่มีใครในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จเพราะข้าเก่งอยู่คนเดียวคนยอมดูนิ้วทั้งห้าดูนิ้วทั้งห้าถ้านิ้วโป้งมันคิดว่ามันแน่ที่สุดนะมันสั่งให้ตัดอีกสี่นิ้วที่เหลือแล้วมือเนี้ยเหลือแต่นิ้วโป้งไปที่ไหนก็เอาแต่นิ้วโป้งเนี่ยไปคนยอมว่ามือนี้จะน่าดูไหมถ้านิ้วชี้มันคิดว่ามันเน่ที่สุดแล้วฉันชี้อยู่ม้อเดียวเนี่ยนะ จะรอดไหมเพราะมันชี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีนิ้วอื่นเลยมันก็ทำประโยน์อะไรไม่ได้ยมนิ้วทุกนิ้วเก่งเก่งไม่เท่ากันเก่งไม่เหมือนกันแต่เก่งคนละอย่างถ้านิ้วแต่ละนิ้วแยกกันอยู่นะไม่เป็นมือแต่เพราะนิ้วทุกนิ้วมารวมกันมาร่วมกันจึงเป็นมือฉะนั้นนิ้วทุกนิ้ว ร่วมกันจึงเป็นมือเขาจึงเรียกว่าความร่วมมือเห็นไหมความร่วมมือมาจากนิ้วทุกนิ้วมาร่วมกันจึงเป็นมือเราเรียกสั้นๆว่ความร่วมมือมือก็คือนิ้วทั้งห้าและนิ้วทั้งห้าไม่มีนิ้วไหนเก่งที่สุดแต่นิ้วทุกนิ้วเก่งกันแล้วอย่างรวมกันจึงเป็นมือที่เก่งมากนิ้วโป้งใช้จับอะไรแล้วก่อให้เกิดความมั่นคงนิ้วชี้ ใช้ชี้สั่งงานสั่งการเอานี้โป่งไปชี้สั่งได้ไหมลูกมานี่สิเนียเธอมาหนี่สิอย่างเงี้ยมันน่าดูไหมเอานี้โป่งไปสั่งมันน่าดูไหมไม่น่าดูมันประหลาดมากนิ้วกลางเนี่ยเอาไปล้วงก้นแก้วไปหล้างล้างแก้วเนี่ยนิ้วโป้งมันล้วงไม่ถึงหรอกโยมเห็นไหมเออแล้วนิ้วนางนี่ทําอะไรเนี่ยสวมแหวนอเอาแหวนไปสวมนิ้วอื่นนั้นมันเหมาะสมไหมนะมันก็ไม่เหมาะแล้วนิ้วก้อยนี่ไว้ทําอะไรคืนดีกันนะลูกนะนะ คืนดีกันนะคุณพี่ขาเนี่เห็นไหมเรามาคืนดีกันเนาะเราเอานนี้ป้องไปคืนดีสิมื่คืนดีกันเนะมันน่าดูไหมโยมมันไม่น่าดูนะเพราะฉะนั้นนิ้วทุกนิ้วถูกออกแบบมาเพื่อทําประโยชน์ไม่เหมือนกันไม่มีนิ้วไหนดีกว่านิ้วไหนนิ้วทุกนิ้วดีทั้งหมดแต่ดีคนละอย่างคนทุกคนถ้าสาระคีกันเธอก็เก่งฉันก็เก่งโน่นก็เก่งนี่ก็เก่ง ต่างคนต่างเก่งไม่เก่งสักคนนะถ้าเราทุกคนเก่งเหมือนกันนะโยมนะเราก็จะได้เก่งกันทุกคนพูดอย่างหนึ่งว่าแข่งกันดีไม่ดีสักคนผ ล, ลัดกันดีได้ดีทุกคนคนที่จะผลัดกันดีได้ก็ต้องเป็นคนที่สามัคคีกันฉะนั้นให้เราอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามัคคีเหมือนนิ้วตั้งห้ามารวมกันจึงเป็นมือฉันใด องค์กรทั้งหลายจะอยู่ได้ก็เพราะเราทุกคนสมัครสมานสามัคคีกันขอเล่าตัวอย่างเป็นนิทานทั้งหนึ่งให้ฟังนะมีวันหนึ่งตากับตีนมันทะเลาะกันตาเนี่ยมันก็เถ e ียงกับตีนมากตีนแกรู้ไหมที่แกได้เดินไปไหนต่อไหนทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยที่แกได้เดินไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเนี่ยที่แกได้เดินไปเชียงใหม่เนี่ยที่แกได้เดินไปเมืองนอกเนี่ยที่แกได้ไปเดินไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวจีนไปเที่ยวอเมริกา ก็เพราะว่าตาเนี่ยอยากเห็นโอตีนมันได้ยินแล้วมันใจคอไม่ดีนะถ้าเกอยากเห็นแล้วฉันไม่เดินเนี่ยเกยจะได้เห็นอ่มตามันก็ไม่ยอมสิมันก็เถียงกันอย่างนี้โยมตามันก็บอกว่าก็เกเดินไปแต่ถ้าฉันหลับเก็จะเห็นไหมไม่เห็นอ้าวตีนมันก็บอกถ้าเกเห็นแต่ฉันไม่เดินมันจะถึงไหมก็ไม่ถึงตกลงตีนกับตาต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมฟังกันแลวกันในที่สุด เตีนกระตาเปิดสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันตีนก็เล่นงานตาว่าเอาแต่อยากรู้อยากเห็นแต่ไม่อยากเดินตาก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเตีนว่าเอาแต่เดินถ้าตาไม่เห็นก็ไปเหยียบลมเหยียบโคลนเหยียบหนามก็มีข้อบอกพร่องด้วยกันทั้งสองฝ่ายเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายไม่มีใครโหวตให้ใครลงมติไม่ได้สภาลม่ม กบออกมาจากสภาตาแขนตีนเลยหลับตีนก็แขนตานะก็ได้แก่หลับก็ได้ใช่ไหมฉันก็จะเดินถึงไหนก็ช่างตีนมันก็เลยพาตาเดินไปเดินไปได้วยความแข็งตามก็ไม่ลืมจะพาไปไหนก็ช่างฉันไม่ลืมสุดท้ายเดินไปตกเหวโยมลอยละเลี้วลงไปถึงก้นเหวแต่โคลงเลยตาสองข้างกระเด็นตึกติดอยู่ด้านโน้นนะอยู่ด้านหนึ่ง ตีนสองครังหลุดจากตัวดิ้นกระเดวกระเดวอยู่อีกด้านหนึ่งไอ้ตรงกลางเหลือตัวดิ้นกระดึบกระดึบกระดึบอยู่ตัวมันก็ลำพึงขึ้นมาว่าแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยเห็นไหมตีนกระตาทะเลาะ ก, กันแต่ตัวเดือดร้อนไหมเดือดร้อนทั้งหมดนี่ในหนึ่งองค์กรถ้าเราทะเลาะ ก, กันเจ้านายทะเลาะ ก, กับลูกน้องลูกน้องทะเลาะ ก, กับเจ้านายต่างคนต่างทะเลาะ ก, กัน อาหารที่อร่อยที่สุดจะส่งถึงมือลูกค้าไหมไม่มีทางเพิ่งน้อยอร่อยที่สุดก็เฉพาะในครอบครัวทะเลาะกันเมื่อไหรก่ก็แตกกันเมื่อ น, นั้นเห็นหรือยังฉะนั้นตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุขไม่สนุกเพราะต่างฝ่ายต่างก็แตกสามขีเราทั้งหลายอยากมีความร่มเย็นเป็นสุขจงอย่าแตกสามขีอย่าไปแข่งกันดีให้ผลัดกันดีผลัดกันดีได้ดีทุกคน แข่งกันดีไม่ได้ดีสักคนทั้งห้าประการนี้ก็คือคติธรรมที่นําองค์กรเพิ่งน้อยประสบความสําเร็จมาจนถึงวันนี้ดังนั้นเราทั้งหลายที่อยากประสบความสําเร็จก็ต้องเรียนรู้ที่จะนําเอาคุณธรรมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดํารงชีวิตประจําวันของเราเอาแล้วก่อนจะจบจะพูดถึงสัตว์อีกสักสองอย่างเป็นของแถมสัตว์อีกสองชนิดที่อยากจะแนะนําให้รู้จักก็คือสุนัข แล้วก็แมวเอาแมวก่อนคนโยมเคยเลี้ยงแมวไหมเคยนะอาตมาภาพก็เคยเลี้ยงแมวเลี้ยงซะจนรู้จักมักคุ้นจนกระทั่งว่าก่อนที่อาตมาภาพจะกลับจากโรงเรียนตอนสี่โมงเนี่ยแมวจะรู้เลยจะเป็นดักอยู่ที่ข้างๆลําห้วยเพราะอาตมาภาพจะต้องเดินผ่านผ่านลําห้วยแมวจะไปรออีกฝั่งหนึ่งรู้ถึงขนาดนั้นโยพามพออาตมากลับมาบ้านถ้าแมนอนอยู่บนหลังคาแค่ได้ยินเสียงอตาต ม, มาเขาก็ลงมาต้อนรับนี่คือแมว แมวเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่กับคนแต่แมวนั้นเป็นสัตว์ที่สอนคนได้มากเพราะอะไรลักษณะของแมวนะโยมนะที่มันจะสอนคนได้นั้นมีหลายเรื่องเช่นถ้าคุณโยนแมวขึ้นบนอากาศแมวจะตกท่าเดิมเสมอเป็นยังไงถ้าเราถูกจับโยนขึ้นบนอากาศโยมจะตกท่าไหนเป็นยังไงแขนหักไหมขาหักไหมกะโหลแตกไหมไม่เหลือ แต่โยนแมวขึ้นบนอากาศมันตกท้าเดิมยมไม่เจ็บสะท้อนว่าถ้าเราเป็นคนอยู่ในโลกตกต้องไม่แตกทำยังไงอยู่ในโลกแล้วตกไม่แตกเราจะต้องรู้จักโลกกระทำโลกกระทำคือได้ลาบเสียมลาบได้ยศเสียมยศสันเสริญนินทาสุขทุกข์ต้องรู้จักเอาไว้ใครรู้จักโลกกระทำแปลตกไม่แตกเหมือนแมว ไม่ว่าจะโยนขึ้นฟ้าท่าไหนตกท่าเดิมปลอดภัยทุกท่าถ้าเราได้ราบแล้วต้องรู้ว่าวันหนึ่งมันจะเสื่อมราบมันไม่เสื่อมวนันนี้มันเสื่อมวนัวนพรุ่ง ม, มันพรุ่งไม่เสื่อมมันจะเสื่อมวันหน้าวันหน้าไม่เสื่อมมันจะเสื่อมวันนู้นถ้าวันนู้นมันยังไม่เสื่อมมันจะเสื่อมอาวันโลกแตกมันต้อ ง, องมีสักวันหนึ่งเพราะโลกนี้ก็คือมวลรวมของความเสื่อมที่วันนี้มันยังไม่เ ส, ส <Kaz i work> ื่อมไม่ได้หมายความว่ามันไม่เสื่อมมันเสื่อมแล้วแต่มันรอเวลาที่จะเสื่อมถึงที่สุดเท่านั้นเอง ได้ยศเสมยศถ้าเราได้ยศได้อำนาจอย่าลืมวันหนึ่งเราจะไร้อำนาจวันไหนไร้อำนาจก็จะไปเสียใจเพราะเป็นธรรมดากสันเสริญนินทาคือถูกสันเสริญแล้วเตรียมใจไว้ได้เลยวันหนึ่งคุณจะถูกนินทาอัตมภาพเองถูกสันเสริญเยอะวันหนึ่งเคยไปเทศที่มารวิทยาลัยแห่งหนึ่งเคยได้รับคำชมว่าพระที่เทศได้ขนาดนี้นั้นปรีชาญรุ่งสิงหงมากร้อยปี จะมีพระอย่างนี้สักรูปหนึ่งโอ้โหอธิการบดียกย่องอาตมาคนลุกคนพองหมดเลยนะอย่างชั้นเนี่ยนึ่งรอยปีจะมีรูปหนึ่งโอู้หตัวอาตมาลอยติดเพดานเลยโยมแต่วันหนึ่งอาตมาภาพมาเปิดรายการโทรทัศน์ดูคนที่เคยชมอาตมากําลังให้สัมภาษณ์สื่ออยู่พระเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาชอบวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอ้าวแล้วหลุดจากเพดานตกโขกเลยก็ปากนี้ไม่เ่อรือที่วันก่อนกําลังชมฉันอยู่ อัตอมาบรรลุทรรเลยนะเห็นไหมโยมสันเสริมมันคู่กันอินทาเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจเลยทุกวันนี้อัตอมาเข้าใจโลกถือหลักว่าถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลวสบายทุกวันนี้ตกไม่แตกแล้วนะแล้วสุข ก, ก็คู่กระทุกใช่ไหมวันนี้สุขพรุ่งนี้ก็ทุกวันนี้ทุกพรุ่งนี้ก็สุขมันก็วนไปวนมาโลกกระทำทั้งแปดนะแบ่งกันเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมันก็มีสี่คู่เป็นแปด สี่คู่ของโลกธระทำนี้จึงเปรียบเสมือนฤดูการทั้งสของชีวิตที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาสู่ชีวิตของเราเสมอคนฉลาดจะไม่หลบหนีหรูดูทั้งสี่ไม่ใช่ว่าพอหน้าหนาวเมืองไทยหนาวฉันอยู่ไปอยู่อเมริกาอเมริกาหนาวฉันก็บินไปอยู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสร้อนฉันก็บินมาไทายพวกหลบลีหนีหรูดูการนี้จะเป็นพวกไม่มีภูมิคุ้มกันฉะนั้นฤดูการทั้ง4ี่นั้นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาสู่ชีวิตของเรา เราอย่าไปหนีเราอยู่ที่นี่เรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางฤดูกาลให้ได้ถ้าเราอยู่ได้แม้เพียงหนึ่งฤดูหนาวมาคราวหน้าเราก็รู้แล้วว่าจะสู้หนาวยังไงร้อนมาปีหน้าก็รู้แล้วว่าจะสู้ร้อนยังไงฝนมาปีหน้าก็รู้แล้วว่าจะป้องกันฝนยังไงแล้งมาปีหน้าก็รู้แล้วว่าจะป้องกันแล้งยังไงดังนั้นอย่าไปกลัวฤดูกาลทั้งสี่ของชีวิตซึ่งเรียกว่าโลกกระทำแปดรู้จักโลกกระทำแปดแล้วได้ลาบเสื่อมลาบก็ไม่ร้องไห้ ได้ยศเสื่อมยศก็ไม่เสียใจสันเสริญถูกนีนทาก็รับได้สุขเปลี่ยนเป็นทุกข์ก็หัวเราะได้ไม่มีอะไรต้องเสียใจจนกระทั่งต้องลุกขึ้นมาทำร้ายตัวเองต่อไปนี่แหละคนเข้าใจโลกธรรมแปดเป็นคนที่อยู่ในโลกเหมือนแมวถูกโยนขึ้นในอากาศตกลงมาท่าเดิมทุกครั้งปลอดภยัยทีนี้ด้านที่ไม่ดีของแมวเป็นยังไงแมวไม่ยอมให้ใครสอนเลย ดึงหางมาแมวจะไปข้างหน้าใช่ไหมดึงมาข้างหน้าแมวจะถอยไปข้างหลังดึงตัวขึ้นข้างบนแมวจะโก่งลงข้างล่างดึงท้องแมวจะโก่งขึ้นข้างบนนี่คือแมวแมวไม่ฟังใครเห็นไหมแมวไม่ฟังใครเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังใครก็ไม่มีใครสอนฉะนั้นเราอย่าเอาอย่างแมวนะจงเอาเยี่ยงแมวแต่อย่าเอาอย่างแมวจงเอาเยี่ยงแมวก็คือ ในแง่ที่เป็นต้นแบบของการเผชิญโลกธรรมตกจากที่สูงแล้วไม่บาดเจ็บย่าวอย่างแมวก็คืออย่าเป็นคนว่ายากสอนยากใครก็ตามสอนเราเจ้านายสอนเราพ่อสอนเราแม่สอนเราพี่สอนเราเพื่อนสอนเราพระสอนเราให้ถือว่าเรากําลังโชคดีที่สุดที่มีโอกาสได้รับคําแนะนําพร่มสอนจากคนที่ผ่านโลกมามากให้มองคนที่สอนเราว่าเขากําลังชี้ขุมทรัพย์ อย่าไปมองคนที่สอนเราว่าเขาจงเกลียดจงชังเราจึงมาจ้ามี้จ้าชัยเราแท้ที่จริงคนเรานะถ้าไม่รักกันเขาไม่สอนกันใช่มไหมลูกๆทุกคนเวลาพ่อสอนแม่สอนไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะรักมากนั่นแหละจึงสอนพนักงานทุกคนเจ้านายเรียกไปตําหนิก็เพราะรักนั่นแหละจึงตําหนิถ้ามองอย่างนี้ทุกครั้งที่ได้รับคำำําตําหนิติฉินเนนทาวิภาค ว, วิจารณให้เรามองว่าคนเหล่านั้นกําลังทําหน้าที่กระดาษทราย ขัดสีฉวีวรรณให้เราเปล่งปลั่งงดงามพระพุทธรูปทุกองค์จะงดงามเพราะถูกขัดสีฉวีวรรณด้วยกระดาษทรายฉันใดชีวิตเราทุกคนจะงดงามสมบูรณ์แบบเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีเกียรติยศขึ้นมาได้ก็เพราะได้รับการขัดสีฉวีวรรณจากคํำมิภาคติฉินนินทาชนนั้นโดยเห็นดังนั้นอย่าไปกลัวเวลาที่เราถูกดา่าถูกว่าถูกตาําหนิถูกวิพากวิจารณ์ให้ฝึก เป็นคนว่านอนสอนง่ายยิ่งว่านอนสอนง่ายยิ่งมีโอกาสได้รับรสพระธรรมคําสอนและก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะเจริญมากกว่าคนอื่นทะเลเป็นเจ้าแห่งน้ําเพราะวางตนอยู่ในที่ต่ําน้ําทุกสายจึงไหลมารวมคนเป็นยอดแห่งคนเพราะวางตนอยู่ในที่ต่ําพร้อมจะรองรับคําสอนจากทุกภาคส่วนนี่คือแมวเอามาจบกันที่สุนัข ตรรมาภาพก็เป็นคนรักสุนัขอีกแหละเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากสุนัขเยอะมากมีสุนัข ต, ตัวหนึ่งของธตรมาภาพอยู่ที่กรุงเทพพัน Golden Retriever สุนัข ต, ตัวนี้ชอบฟังธรรมชอบทำวัดสวดมนต์ครั้งหนึ่งกำลังบรรทุกรายการโทรทัศน์อยู่เป็นรายการสดด้วยนะธมาภาพนั่งบรรทุกรายการอยู่สถานีโทรทัศน์ชอหนึ่งเนี่ย พิธีกรกำลังถือไมโครโฟนเจาะสัมภาษณ์อาตมาในวันมาฆบูชาสุนัขอาตม า, าพระมันวิ่งลงมาจากกุฏิพอมันวิ่งมาถึงมันพรวดตัดหน้าเลยไม่หลุดมือพิธีกรก็ฉลาดมักตัดเข้าโฆษณ า, าตากล้องวิ่งมาพรดเดียวเลยหมาใครวะอาตมาก็หมาจะมาเองเง้นเหรอครับเห็นกิเลนคนไหมเห็นชัดเลยพอจัดการหยิบไม้มาเรียบร้อยพิธีกรบอกพิธีกรก็ตัดบท มาสู่ช่วงที่สองกันเลยนะคะเ น, นี่ยเมื่อกี้เนี่ยยุ่งเยิะไม่ อ, ออกนะพอมาช่วงที่สองรู้ไหมสุนัขตัวนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ใต้เก้าอี้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เสนอหน้านะยิ้มแฉ่งเลยนะเดี๋ยวนะนี่สุนัขตัวนี้เนี่ยได้ลงหนังสือแปลได้ลงในดีสามทีเอ็มด้วยนะเออเขาไม่ธรรมดานะและ้วสุนัขตัวนี้ก็มีวีรกรรมวันหนึ่งมีคนุณหญิงคนหนึ่งหอบข้าวอบของมรดูพระรังมหาตรรมที่โกติที่วัดที่กรุงเทพ วันนั้นลูกศิษย์ของอัตามาภาพกําลังนั่งเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงถอดเทปเสียงธรรมบรรยายของอัตามาภาพแล้วก็มือข้างหนึ่งก็พิมพ์ลงหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงเทปธรรมบรรยายของอัตามาภาพจึงดังก้องกุฏิและเจ้าสุนัขตัวโปรดของอัตามาภาพมันก็เป็นนอนอยู่ใต้เก้าอี้ของลูกศิษย์อัตา ม, มาหัวของมันก็ไปพาดอยู่กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลยนะคุณหญิงมาถึงถามน้องพระอาจารย์อยู่ไหนคะพระอาจารย์ไม่อยู่ครับ แล้วนี่เ น, นี่ะหมาพระอาจารย์ใช่ไหมครับมันกําลังทําอะไรกําลังฟังธรรมครับของหลุดมือคุณหญิงเลยตอกอกตอกตกใจงั้นพี่ฝากของไว้ด้วยนะคะเออแล้วพี่ไม่อยู่เราฟังธรรมพระอาจารย์เหรอน ะ, ะพี่รู้แล้วค่ะว่าพี่จะต้องกลับไปฟังธรรมเห็นไหมโยมมันสอนคนมาเยอะมากนะเจ้าตัวนี้เนอะน่าคิดนะโยมนะว่า เขาเป็นสัตว์แต่เขาสอนธรรมครั้งหนึ่งอตาตมาภาพไปสหรัฐอเมริกาเดือนหนึ่งยอมกลับมาคิดถึงหมามากคิดมาตลอดทางนั่งเครื่องบินจากเนยอร์สถึงกรุงเทพเดี๋ยวฉันลงจากเครื่องนะั้นสิ่งแรกที่ฉันจะทําคือฉันจะไปกอดหมาฉันคิดถึงมันพอเริ่มากลับมาถึงวัดเราเดินเข้าซอยไปเราเห็นเห็นสุนัขของเรานอนอยู่น่นอยู่ก้นซอยมันก็เห็นอาตมานะ มีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งมันก็คางไก่ลูกบอลมันเห็นเราเดินมาตอกแตกตอกแตกตอกแตกปกตินี่มันจะต้องกระโดดไปรับอาตมาแต่วันนั้นมันไม่กระโดดยมมันนอนดูเจ้าของซึ่งกลับจากอเมริกามาเราหัวใจนี่เต้นตุ้มตุ้มตเดี๋ยวฉันจะกอดมันด้วยความคิดถึงพอไปถึงปุบ๊บอาตมาทำท่าจะกอดมันเฉยมันเงียบ <im its> เข้าใจว่ามันงอนตอนที่อาตมาพ้าไปแล้วไม่ลามัน นาทีที่ธรรมากําลังจะก้มไปก่อนมันแต่มันเฉยซึ่งเป็ปกติของสุนัขพันธุ์นี้นะนาทีนั้นอนตาตมาก็บรรลุรมสว่างโพลงขึ้นมาว่าเออจริงนะเรานี่ยึดติดหมาแต่หมาไม่ยึดติดเราปรามัตธรรมเลยนะเนี่ยนะลึกไหยลึกเนะอะอาตมาภาพได้เรียนหัวใจพระพุทธศาสนาจากหมาของตัวเองระดับปรามัตธรรมว เรานี่เอาแต่ยึดติดเขาแต่เขาไม่ยึดติดเราเลยพอพอเขาไม่ยึดติดอาตมาอาตมาก็บอกได้ฉันก็ไม่ยึดติดแก เ, เลยขึ้นกุฏิไปเลยคุณจะเห็นไหมว่าแม้แต่สิงสาราสัตว์พิจารณาให้ชัดก็ได้บทเรียนมาสอนตนเองแต่ทีนี้คติจากสุนักไม่ใช่แค่นี้สิ่งสําคัญที่อยากจะนํามาพูดก็คือสุนัขตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นที่เมืองชิบูยะจะมีอนุสาวรีสุนัขตัวหนึ่ง อยู่ใจกลางชุมชนนุสาวรีของสุนัขตัวนี้นั้นนักท่องเที่ยวทั่วโลกแห่ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปปีหนึ่งเป็นล้านคนทําไมคนอยากจะถ่ายรูปกับสุนัขตัวนี้เพราะนี่คือนุสาวรีของสุนัขยอดกตันอยู่เขาชื่อฮาจิฮาจินั้นเป็นสุนัขตัวโปรดของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทุกทุกเช้า เวลาศาสตราจารย์เดินทางจากบ้านไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟเจ้าห้าจีจะตามไปส่งทุกทุกเย็นพอท่านกลับมาตอนห้าโมงเย็นเจ้าสุนัขตัวนี้จะไปรอรับเจ้านายอยู่ที่ชานชาลาเช้าก็ไปส่งเย็นก็ไปรับเช้าก็ไปส่งเย็นก็ไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรั บ, รบทำเช่นนี้ทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันจนเป็นกิจวัตรของมัน ศาสตราจารย์รักมันเหมือนโลกเวลาอยู่ด้วยกันสรรพนามที่ใช้ก็คือพ่อกับโลกรักกันมนะอยู่มาวันหนึ่งศาสตราจารย์ไปสอนหนังสือแล้วหวัวใจวายกลางห้องเรียนล้มตึงเพื่อนครูนําส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตระหว่างนําไปส่งโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตแล้วทางโรงพยาบาลจัดรถตู้มาส่งศพท่านศาสตราจารย์ที่บ้านโดยไม่ผ่านรถไฟขบวนเดิม ห้าโมงเย็นวันนั้นเจ้าฮาจีมันไม่รู้เรื่องว่าบัตรนี้เจ้านายได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็เดินไปรับเจ้านายที่สถานีรถไฟพอห้าโมงปับ๊บรถไฟขบวนประจํามาถึงปับ๊บเจ้าฮาจีก็เฮาเลยโยมคิดว่าเจ้านายต้องลงน้ำก็เฮาจนกระทั่งคนลงหมดแล้วแล้วก็รถไฟเคลื่อนตัวไปเขาไม่เห็นเจ้านายเขาหางตดวิง่งว่นไปทั่วสถานีกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็เฮาเ รถข บ, บวนต่อมามาเทียบปุ๊บเจ้าหาจิลุกขึ้นยืนแล้วก็เฮาคนลงจนหมดก็ไม่เจอเจ้านายจนกระทั่งสองทุม่มรถไฟมาถึงเจ้าหาจิวิ่งไปรับแล้วก็เฮารับไม่เจอเจ้านายมันหารู้ไม่ว่าที่บ้านนั้นขณะ น, นี้เขากําลังตั้งสวดศพทําพิธีทางาศาสนาให้กับเจ้านายเขาอยู่รอจนเกือบดึกเดินเที่ย ง, งคืนไม่เห็นเจ้านายเจ้าหาจิจึงวิ่งกลับบ้านในสภาพ เพดหวังพอมันไปถึงบ้านเห็นไฟในบ้านเปิดทุกดวงแล้วคนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลามันได้กลิ่นเจ้านายพ่อของมันวิ่งสวนผู้คนมั่งหน้าหลายตาเข้าไปกลางถงบ้านได้กลิ่นเจ้านายอยู่ในหลงศพมตะกุยตะกายลงศพแล้วก็เห่าเลยแขกทุกคนเห็นอย่างนี้ก็ตกใจขอลากลับหมดเลยเอาเราสิยุ่งสิทีนี้ทุกคนขอลากลับหมดเลย สุดท้ายก็เหลือเจ้าฮาจิกับปรรยาของศาสตราจารย์คือคุณนายของมันคุณนายของมันเห็นก็สงสารมากอุ้มเจ้าสุนัขตัวน้อยมาบอกลกูกพ่อของลกูกเขาไม่ได้ลาลูกนะเขาอยู่ในโรงนี้ลกูกแล้วเปิดฝาโรงโยมอุ้มเจ้าฮาจิลงไปดมดูเจ้านายพรมันรู้ว่าเจ้านายมันอยู่ตรงนั้นปุ๊บเงียบเลยไม่ห่อมเสร็จแล้วเธอก็อุ้มมันออกมาแล้วก็ปล่อยให้นอนคืย น, นั้นเจ้าฮาจินอนที่ไหนโยม นอนหน้าลงศพพ่อของมันวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้านายหญิงนำศพไปบาเพ็ญกุศลตามาศาสนาพิธีเรียบร้อยแล้วก็กลับมาพักผ่อนเอาไม่เจอฮาจิคุณยอมรู้ไหมเธอตามหาทั่วบ้านไม่เจอฮาจิออกเดินไปทุกคนทุกแห่งที่ฮาจิเคยไปในที่สุดไปพบขานั่งอยู่ที่ชานชาลาสถานีรถไฟ นายหญิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยช่างเถอะอะไรอาวอนอะไรกันนะกันหนาคนมันตายไปแล้วกลับบ้านลุกนะไปดึงหูวมันกลับบ้านไม่กลับวันต่อมารุ่งเชา้าตื่นมาแต่เชา้าไม่เจอฮาจินายหญิงเดินตามไปทั่วบ้านไม่เจอไปดูในโลงไม่เจอเดินไปที่ชานชาลาฮาจินั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กลับมาพักออะไรกันนะกันนาเนี่ยยึดติดถือมันเนาะข้าวก็ไม่กิน ตอนเย็นเย็นสี่โมงหายไปอีกแล้วโยมนายหญิงเดินไปตามอยู่ที่ไหนเฝ้าอยู่ที่ฌานจลาที่เดิมสุดท้ายนายหญิงก็เลยไม่ตามบอกเออแกอยากจะรอก็ร อ, ร อ, รอฉันบอกแล้วว่านายแกนะเผาไปเรียบร้อยแล้วแต่ฮาจิไม่สนใจโยมปรากฏ ว, ว่าหลังจากวันนั้นผ่านมาอีกหนึ่งอาทิตย์ฮาจิหายไปทุกเชา้าหายไปทุกเย็นตอนเชา้าแปดโมงหายไปแล้วกลับมาตอนเย็นห้าโมงหายไปแล้วกลับมาคุณโยมเชื่อไหม เจ้านายเขาไม่อยู่แล้วพ่อเขาไม่อยู่แล้วแต่เจ้าสุนัขยอดกระตันอยู่ตัวนี้ยังคงทำหน้าที่เช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับเช้าไปส่งเย็นไปรับเป็นเวลาเท่าไหร่ลองคิดดูสิเจ็ดปีเต็มรอด้วยความกระตันอยู่รอด้วยความผูกพันและรอด้วยความรัก ช่วกระทั่งวันหนึ่งนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งมาเจอสุนัขตัวนี้รออยู่ที่ชานชลาแห่งนั้น mm. ก็เลยถามชาบ้านว่าหมาใครชาวบ้านบอกอ๋อหมาซาตร์จานค่ะแล้วบ้านมันอยู่ไหนอยู่ในนู้นเนี่ยแล้วมันมาทําอะไรตรงนี้เพราะมารอนายเขาค่ะมารอนานแล้วยัง mm. ก็เจ่าที่เห็นก็น่าจะสักเจ็ดปีละมั้งค่ะโอ้โหเท่านั้นเองโยมนักข่าวเอาไปเขียนข่าวสุนัขยอดกดตัญญูวันรุ่งขึ้นขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ และได้ออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ชั่ว้ามคืนฮาจิกลายเป็นสุนักดังของประเทศญี่ปุ่นนายหญิงตื่นมาตอนเช้ามีคนมาเตมบ้านมีรถจากสถานีโทรทัศน์วิทยุมาออกันเต็มหน้าบ้านนายหญิงตื่นมาตกใจมากคุณมาหาใครคะให้บ้านฮาจิไหมคะใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะพวกเราอยากจะสัมภาษณ์ฮาจิค่ะ ตั้งแต่นั้นมากลายเป็นสุนัขที่มีชื่อมีเสียงจนกระทั่งว่าผู้ว่าของเมืองแห่งนี้ยมเห็นว่าเจ้าสุนักตัวนี้นะมีความกตัญญูเหลือเกินรวบ ร, รวมเงินคนละเหรียญสองเหรียญจากประชาชนคนลเมืองสร้างอนุสาวรีย์ให้สุนัขฮาจิกลายเป็นอนุสรสถานสุนัขยอดกตัญญูมาจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายเห็นได้อย่างสุนัขยังรู้จักกตัญญูแล้วเราทั้งหลาย รู้จักกระตันอยู่บ้างไหมทุกวันนี้เราได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วเรามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราได้งานทําแล้วเราได้เงินใช้แล้วเรามีบ้านเรามีรถเรามีเกียรติคุณชื่อเสียงแล้วแล้วเราย้อนไปมองพ่อแม่ของเราบ้างหรื อ, อยังอย่าลืมนะถ้าเรากินอิ่มนอนอุ่นพ่อแม่ของเราต้องกินอิ่มนอนอุ่นด้วย ในโลกนี้เนี่ยเราสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นอย่าเป็นลืมพระคุณคนคนที่ลืมพระคุณคนก็คือคนที่ไม่มีค่าควรแก่ความเป็นคนสุนัขเขายังรู้จักกาตัญยูรู้คุณแล้วคุณคุณทั้งหลายถ้าไม่รู้จักกตันยูรู้คุณก็สู้สุนัขไม่ได้นี่แหละคือสิ่งสุดท้ายที่ธรรมภาพอยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าเรามีเวลาให้กับคนทั้งโลกแล้วอย่าลืมให้เวลากับคนที่เรารักที่สุด คือพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราด้วยอย่าลืมมือที่เคยอุ้มชูเรามาไม่มีใครในโลกประสบความสําเร็จโดยได้ความสําเร็จนั้นมาจากฟากฟ้านภาการแต่ทุกๆความสําเร็จล้วนแล้วแต่เกิดจากมือที่คอยอุ้มชูเราคนส่วนใหญ่เวลาประสบความสําเร็จเดินทางไปที่ไหนมีแต่คนที่มาคอยเช็คแฮนด์จับมือแล้วเราก็ชื่นชม เราก็หลงน่าเริงกับมือที่ยื่นมือมาจับมือเราด้วยความชื่นชมแล้วเราก็หลงลืมมือที่เคยคำชูเราขึ้นมาเห็นไมคนส่วนใหญ่นึกถึงแต่มือที่อยู่ข้างหน้ามือที่กำลังเช็คแฮนเรามือที่จับมือเราเขย่าและมือที่ตรกองกอดเราตอนเราสำเร็จแล้วเราก็หลงลืมมือที่อยู่เบื้องหลังเรามือที่คอยอุ้มชูเราจากเดินจากโคลนส่งขึ้นไปข้างบน มือที่เคยผลักดันเราเข้าไปสแสวงหาโอกาสมือเช่นนี้เราไม่ควรลืมเพราะนี่คือมือของผู้มีพระคุณเราทุกคนที่ประสบความสำเร็จวันนี้ได้ก็เพราะมีมือของผู้มีพระคุณที่คอยอุ้มจากล่างสู่บนจากต่ำสู่สูงจากหลังสู่หน้าจากกระจกสู่สูงส่งจากมืดสู่สว่าง อย่าลืมมือเหล่านี้อย่ามัวแต่ไปเช็คแทนกับมือที่อยู่ข้างหน้าให้ย้อนกลับมามองมือที่อยู่ข้างหลังด้วยถ้าเราหลงตัวเองเราอากตัญญูเราไม่รู้คุณเราก็สู้สุนักไม่ได้โดยเหตุดังนั้นคติธรรมประจําวันนี้ก็คือขอให้เรารู้จักกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณทุกคนสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตทีท่ว่านิมิตตังสาธุรูปานางังกตัญญูกะตะเวทิตา ความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือไหว้พระหมือนองค์แสนองค์แต่หากไม่เคยไหว้พ่อไหว้แม่ก็เท่ากับว่าไม่มีค่าอะไรเลยในท้ายที่สุดนี้ตรรมภาพจึงขอสรุปธรรมบรรญายให้จำง่ายๆสั้นๆว่าเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากสัตว์สามชนิดได้ชนิดที่หนึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวจากผึ้งด้วยการเรียนรู้คติธรรมคำสอนจากผึ้ง 5ประการคือขยันทำกินไม่เบนสูงนักรักความสะอาดฉลาดสะสมนิยมสามะัคคีคติธรรมจากแมวก็คือตกและไม่เจ็บโดยการเรียนรู้จากโลกธรรมทั้งแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญเนินทาสุขทุกข์และบำเพ็ญตนเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่เสมอและคติธรรมจากสุนัข ก, ก็คือสุนัขยังรู้จักกระตันอยู่ แล้วเราทั้งหลายวันนี้ได้กระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณของเราแล้วหรือยังก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคติธรรมคำสอนที่สรรมภาพนำมาปาหกคาถาทั้งหมดนี้จะเป็นเข็มทิศชีวิตนำทิศนำทางให้เราทั้งหลายดำรงชีวิตด้วยการประสบความสำเร็จทั้งในทางโลกทั้งในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอ